อาบกับเจ้าหน้าที่และก็ทุกท่านที่ทํางานอยู่ในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรวมตั้งผู้ดีจัดงานฟังคาในวันนี้ด้วยนะครับก็เสียงไม่ค่อยดีนะขอไปเมื่อเสียงไมโครโฟนไม่ค่อยดีเสียงผมไม่ค่อยดีก็เป็นวัดมาหลายวันแล้วสภาพร่างกายก็ ขอเพ เ, เสียงกด้หมครัอ๋อเสียงข้าอกดีนะแต่เสียงผมไม่ค่อยดีแต่ไม่เป็นไรหรอกเดียเ๋ยวใหม่ใหม่เอาจารย์ยิ่งขึใหม่ใหมเครื่องก็ยังไม่ค่อยร้อนนะเดี๋ยวพอเครื่องร้อนแะล้วต้องหลีเสียงลงนะเพิ่มได้อีก ไ, ไหมครับพอดีโดยปกติแล้วอากาศเปลี่ยนแปลง รากายปรับสบภาพไม่ค่อยได้ไม่ใช่ที่กุงเทพหรอกพอดีผมไปภุรัติที่ต่างจังหวัดมากลับมาก็อากาศที่ต่างจังหวัดอย่างเช่นจวัวเชียงใหม่เนี่ยมันก็เย็นนะแต่อากาศที่กรุงเทพเนี่ยมันร้อนพอเย็นมาเจอร้อนเนี่ยมันต้องเป็นหมอก ผ ม, มไม่นด้มีหมอกก็เลยมีหวักที่มาแทนหมอกก็เลยหายชาสภาพร่างกายก็ไม่ค่อยปกติก็เลยเต้นใจเต้นใจที่ยังทำหน้าที่ได้ร่างกายต้องอาศัยกนอื่นเนี่ยเวลางหลายคนมาเป็นแถวเนี่ยมาคอยช่วยผมทังนั้นเมื่อพูดไปเป็นลมร้มพับไปก็จะได้รับได้รับ ก็พยาฟังนะแต่ก็ไม่เป็นไรครัผมแบ่งไวเรียบร้อยแนละ้วว่าอะไรคือปัญหาอะไรที่มันไม่ใช่ปัญหาความทุกข์มันอยู่ตรงไหนแลว้วก็ความไม่ทุกข์มันอยู่ตรงไหนความมันอิสระนั้นมันอยู่ที่จิตใจไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายร่างกายยังไงก็มีอิสระเราทุกคนและ มีโรคไปไข้เจ็บประจาตัวแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะรักษาได้แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จะเรื่องของจิตใจเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะปัหาทางใจได้สามารถทำใจเป็นอิสระได้โดยวิธีคิดแล้วก็วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง <Yeah. S 1> วันนี้ก็จะพูดธรรมะ แต่ไม่ใช่ธรรมะเมื่อสมัย 2,500 กว่าปีเป็นธรรมะที่อยู่ในสมัยปัจจุบันธรรมะเรื่องของการปฏิบัติตอนเพื่อทําจิตใจให้เป็นอิสระคนที่คิดว่าการฟังธรรมะนั้นเป็นเรื่องต้องฟังแต่เรื่องราเลี่ดีเท่านั้นเรื่องปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยมีสมัยก่อนนี้เวลา ฟังธรรมะเขาไม่ได้ฟังจากคารวาสใช่หััดหรอกเขาต้องฟังจากพระใช่ไหมพอพร ะ, ระขึ้นมาถึงบนธรรมะก็เปิดใบลานเลยอตีตาการเลนะีิกรุงพาราณสียังมีกษัตริย์จือว่าปเสนทิโกสนอยู่ที่กรุงพาราณสีพอตัวนี้ปั๊บเนี่ย มีคนยายที่ยุ่มากๆ ก, ก็จะตั้งเตินฟังตอาเนี้ยเนี่ยธรรมะที่ธรรมะตอนอย่างเนี้ยมัมีการเปิดใบลานแล้วก็เทศตามใบลานสมัยเมื่อ 2,500 กว่าปีคนรุ่นใหม่ก็ตั้งท่าหาเตาตินนะที่สบายๆแล้วก็นั่งกิงนเสาหลับไปแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้เรื่ององดิาการเนี่ยมันเป็นจพียงแค่พุทธประวัตินะเป็นชาดก เราสามารถไปเปิดอานได้แต่ธรรมะที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราที่การที่ใจเราเป็นเรื่องที่ทันสมัยอยู่เสมอเป็นเรื่องปัจจุบันธรรมะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ล้าสมัยเป็นสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ชีวิตของเราอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเลยแหละอย่าไปมองธรรมะไกลตัว ธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราที่กายของเราที่จิต ท, ที่ใจของเราตรงนี้แหละคือก้อนแห่งธรรมะที่แท้จริงคือก้อนธรรมก้อนธรรมคือก้อนธรรมะนี่แหละคือที่กายที่ใจเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็นำเอาธรรมะก้อนนี้ไปด้วยดโดยเฉพาะ ธรรมะก้อนที่เราเป็นเจ้าของครอครองอยู่นี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเกิดปัญหาชีวิตเกิดความทุกข์คนเรามีความทุกข์ไม่เกินเรื่องของกายเรื่องของใจเราทุกข้างรอกไม่ใช่ปัญหาและก็ไม่ใช่ความทุกข์ด้วยทุกข้างนอกมันย่งแก้ปรากฏการณ์โดยธรรมชาติธรรมดาแต่สิ่งภายนอกนั้น มักจะมีปัญหากับชีวิตเราคือจิตใจเรามีมุมมองที่ยังไม่ถูกตองเพราะตัวปัญหาคือตัวที่จิตใจเราอยู่ที่กายที่ใจเรานะเป็นเรื่องของปัจจุบันทุกความทุกความทุกมันอยู่สองอย่างนีพง่พูดถึงเรื่องปัญหา แต่จะบอกวิธีการแก้ปัญหาและถ้าว่าไม่ลืมนะก็จะบอกวิธีที่ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในขณะที่เราทำหน้าที่อยู่ในปัจจุบันปัญหาของร่างกายซึ่งทุกคนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ความเจ็บไข้เด็ป่วยชี้ตัวนี้ก่อนเลยมันที่ความแก่ความ ตายนี่ปนเป็นาไนั่นแหละแต่บางคนโอ้แก่ไม่เป็นไรเราแก่เป็นเรื่องธรรมดาไม่กลัวแก่แต่กลัวตายก็บอกตายนี่สบายใจมาบอกแก่อยู่ทั้งหมดเรีย้ยงหมดแรงยังไม่ใช่สาธารณะเอาความเจ็บไข้ดีกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครสวัสดิเยียนลีกเลี่ยงได้ ในหลวของเราก็ยังประชวนบุรีเจ้าก็ยังอาผ้าแล้วเราเองเน่ยเรื่องความจะบไข้เรียนป่วยเนี่ยมันย่อมดิกลี่งไม่ได้แต่เราสามารถรักษาได้แต่บางทีรักษาแล้วไม่หายก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันและเรื่องของจิดใจจิตใจก็เรื่องความผิดหวังความโศกเศร้าวความผิดหวัง เจอสิ่งที่เราไม่ชอบก็มีปัญหาทางจิตใจพลัดลาดจากสิ่งที่เรารัที่เราชอบใจเราก็เป็นทุกข์เนี่ยใจ ก, ก็มีปัญหาข อ, ของใจเลยโดยเพราะเรื่องความผิดหวังไม่มีใครรอผิดหวังแล้วดีใจมัน <c oughs> ิธรรมดาเนี่ยสองอย่างเนี่ยคนเรามีทุกข์ไม่เกินสองอย่างทุกข์ของกายกับทุกข์ของจิตใจ แต่ทุกของร่างกายเราห้ามไม่ได้แต่ทุกของจิตใจเนี่ยทุกทางด้านจิตใจเราสามารถที่จะเอาชนะได้บางทีมันย่อมเกิดขึ้นแต่เราก็สามารถที่จะเอาชนะทำจิตใจให้เป็นอิสระจากจิตใจที่มันมีความทุกข์ได้ <Yeah. S 1> เมื่อเราเจอมีเลบีบคั้งความอยากได้ ใจเราก็ดิน้นหลนกระวนกวายเวลากิเลสดีบกันคือความโกรธความเกลียดใจเราก็เหน็ดเหนื่อยกระวนกวายนั่นแหละคือความทุกข์ตรงนั้นอ่ะมาบีบคั้นจิตใจเรานั่นแหละคือความทุกข์แต่ถ้าเราพัฒนาจิตให้เป็นอิสระจากอาการของจิตใจเราได้เนี่ยเราจะหัวร้อยย่ความโกรธก็ได้หัวร้อยยอะ ความอยากที่มีมีที่สิ้นสุดกันได้นั้นธรรมะมีไว้รักษาจิตให้เป็นอิสระจากอาการเหล่า น, นี้แม้ว่าร่างกายอาจจะป่วยไข้เจ็บไข้รักษาไม่หายก็ตามแต่จิตใจนี้สามารถไม่เป็นทุกข์กับร่างกายที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เนี่ยทางออกส่วนนี้ธรรมะมีไว้รักษาร่างกายหรือจิตใจ ฟังปุ๋ยแล้วก็มีคำตอบไหมทำมาเพื่อรักษาร่างกายและจิตใจมีเวลารักษาจิตใจอย่างเดียวร่างกายต้องไปหาหมอ <c oughs> ทำมาช่วยไม่ได้ในร่างกายแต่ช่วยในด้านจิตใจไม่ให้ทุกกับร่างกายที่มีความเจ็บไข้แล้วถ้ารักษ า, าใจไม่ทุกแล้วก็กายจะมีโรคไปก็เจ็บรุนแรงหนักหนามากมายเพียงไรใจมันก็ เป็นสลับได้ถ้าเวลารากากยป่วยไข้อย่าไปหาพระนะพระไม่มีเครื่องมือพระมีแค่บาทเดียวจะมีแต่บาทไม่มีเครื่องมือต้องไปหาหมอถ้ า, ไ ม, ไ, ไ, า, า, มาไม่สบายใจก็ไปหาพระหาพระเพื่อท่านสอนธรรมะไม่สบายใจพระเรายากจนไปหาพระเพื่อไปขอเลขห์ก็ยังไม่ใช่เลข หวยเอร์ไม่ใช่อยู่ที่ผักอยู่ที่เราต่างหากว่าเราจะกําหนดด้วยตัวไหนก็ตามในเที่ยวกระสิ่ไนไป ก, ก็มีบางท่านเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยติดปกติเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคมะเร็งที่ร่างกายเดี๋ยวนี้โรคมะเร็ง น, นี่เป็นเรื่องที่เห็นงัา ง, ง่ายๆมันใกล้ตัวเรามานะเมื่อก่อนคนเป็นโรคมะเร็งอยู่ไกลตัวเรา ที่มันใกล้ตัวเรานที่ญาติของเราที่คนที่เรารู้จักบางทีมันอยู่ที่ตัวเราก็แล้วโลกมันเร็งเลยเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวนะมันเหมือนโรคกวัดเป็นยังง่ายๆแต่เวลาร่างกายกโรคบะเล็กเราจะมองคิดเราจะคิดได้ว่าโอ้เราต้องตายใช่ไหม <laughs> พอเป็นโรคมนเร็งปั๊บต้องตายมันก็ไม่ผิดนะ แต่ว่าก่อนจะตายเนี่ยบางทีมันลาทีมีโรคอื่นมาแทรกก่อนตาย้โรคมะเร็งด้วต่ำไปที่ค่าตัวตายมะเร็งไม่ทันไม่ทันมายิงเลยแค่มาเ็งยไม่ได้ยิงเลยเรายิงตัวเองตายซะก่อไอ้มันมายิน้ากลัวกว่มะเร็งนะเรายิงตัวเองตายเพื่อหนีโรคมนเล็งมันมันแปลกนะเพราะนั้นโรคมะเร็งทีไม่ทาให้คนตายหรอ แต่ที่คนตายเพราะว่าจิตใจมันอ่อนแอห่อเหี่ยวไปทำร้ายตัวเองก่อนที่โรคมันเลงจะมายิงเราแค่เลงแล้เนี่ยจะมันเลงนะเรามีโอกับรักษาได้ต้องลาบางคนต้องสิปีมันเลงแล้วต้องสิปีนะมันเ็งมันเลงชีวิตเราต้องสิปีแต่มันยิงเนี่ยมันดีภายในวันเดียวก็ตายก่อนมันเลงน่ากลัวนะมายิงนั้นอย่าไปคิดมาก เป็นโรคมะเร็งโรคร้ายอย่าคิดมากถ้าคิดมากเดี๋ยวไม่มีอาการมาิีกพอเริ่มมีคิดว่าเราเป็นโรคมะเร็งหรือตรวจแล้วจะโรคมะเร็งเราก็เกิดอาการกลัวคือกลัวตายกลัวตายบ้างกลัวว่าจะไม่มีหมอรักษาเมื่อหมอรักษาแล้วกลัวจะไม่หายใช่บางทีกลัวจะไม่มีเงินรักษากลัวจะทุกทรมาร ตุดท้ายก็กลัวตายแล้วคิดแต่ว่าตายแนละ้วกลัจะเกิดไม่ดีมันลงที่ความกลัวลนะั่นแหลความกลัวมันเกิดที่โลกมันเ็งหรือเกิดที่จิตใจที่รู้ว่าเราเป็นโลกมลนันเ็งนะฮะปราวแล้วน ะ, นะไม่อยาขามให้ตอบความกลัวที่จิตใจร่างกายมันไม่กลัวมันก็รับภาระของความเป็นมะเร็งนะั่นแหละแต่จาระห่าที่มันคิด มันกลัวพความคิดคิดคิดแล้วมันจะคิดเรื่องปัจจุบันนะคิดถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็อย่างไรเนี่ปัญหาคือมีความพุ่งอีตรงนั้นอีต้องคิดล่วงหน้าไปไกลแล้วเราคิดถูกไหมล้วก็ว่าเราคิดถูกนะมันก็ถูกในความคิดเราแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นีความคิดกลัวเรื่องราวในอนาคต แล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องทอี่ท้อหิตกันมากเลยคือกลัวตอนนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่มีความกลัวแล้วว่าโอ้เนี่ยมันจะเกิดอุทกภัยไหมเกิดน้ําท่วมไหมเนีย่ยเมื่อกี้เนี่ยคูอยาคุณวันเพ็ญว่าโอ้น้ำมันจ่อมันนะมันปรีๆถนนนั้นตั้งใจฟ้องไม่ดีนะกลัวอุทกภัยที่จะเกิด ขึ้นแนอนาคตกลัวแผ่นดินไหวกลัวหลายอย่างแลงปีนี้นี่ปีสองศูนย์หนึ่งสองเนี่ยมันตอนแรกว่ามีเชื่อนะนี่แค่ต้นปีครับ ท, ท่าจะไหลไปทั้งโลกแปะเกิดความกลัวในอนาคตมันผิดไหมกลัวในอนาคตไม่ผิดหรอก คนเรสัญชาตญาณหนึ่งคือสัญชาติญาณของการกินการนอนการเตะการการกลัวภยัยสอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมากับสัตว์โลกทั่วไปมันยอมม่อมบีขึ้นอยู่แต่ว่าสัญชาตญาณอันใดจะรุนแรงและสัญชาติญาณอันใดจะถูกกดข่มหรือปอกปิดไปนะการกิน การนอนการเสพการการกลัวไปมีกับเราทุกๆคน่จะมากกันน้อยเอาจับหลักสี่อย่างเนี่ยการโฆษณาชวนเชื่อถึนง่ายเห็นไหะในทีวีไปดูเถอะเรื่องการกินเยอะมากมันมันถูกกับสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยเขาจับหลักตรงนี้ได้นะการนอนต้องนอนสบายๆคือวคาเราต้องนอนะ แล้วก็การเสพสุขดู ห, หนังฟังเพลงการโฆษณาสื่อต่างนี้มันยึงยั่วเรื่องการดูหนังฟังเพลงเรื่องความสวยงามเรื่องผิวพรรณหน้าตาราคาแพงเท่าไหร่ก็ต้องขนขวายเข้าไปทำไปรักษาเนี่ยเขาจับตลาดตลาดเขาจับสัญญาของมนุษย์ได้ถูกต้องเรื่องความกลัวเนี่ยโอ้มันอาดับหนึ่งเลยนะ การปลูก บ, บ้านเดี๋ยวนี้บ้านกลับขึ้นมีต้องมีบ้านลอยน้ำถูจัสนใจเรือสะเทินน้ำสะเทิเทเทเทนบกเดี๋ยวนี้ก็มองเรือโนอา่นั่นเองทอดโคลนจันเนี่ยตอดโค้จากรไปพิบัติเนยเรา ท, รทําภาสีขายได้กนะันตอนนี้หลายท่านก็อาจจะเตรียมตัวซื้อเรือท้องแบนในบ้านก็ไดาษมาทำเต้ามั น, มกกน เ, เนี่ยการโฆษณาชวนเชื่อในอนาคตเนี่ยมันมีอิทธิพลมาก สำหรับสันทัศนยานของมนุษย์ทั่วไปแล้วสิ่งหล่านั้นมันมีหรือไม่ในปัจจุบันนี้อย่างเลยใช่มั้ยังไม่มีอนาคตจะมีหรือไม่มีนั้นจะเกิดหรือไม่เกิดนั้นไม่มีใครรู้ได้เราลองดูตัวเราเราเคยกังวลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตไหมเราเคยมีความกังวลสิ่งเหล่านี้ไหมและสิ่งที่เรากังวลเนี่ย มันเป็นจริงสักทีเรื่องกันบางทีก็ไม่จริงเลยบางทีก็มีจริงแต่ ว, ว่าไม่มีความหมายสำหรับเราเในซ้ำไปเพราะเราตั้งหลักของความกลัวไว้ล่วงหน้าไอ้ความกลัวพวกนี้มันเกิดจากความคิดลรุงแต่งนั่นแหละสารพัดอย่างคนจริงเป็นคนที่คิดเก่งซึ่งแมวไม่คิดอย่างนั้นนะแมวไม่คิดกลัวนนะเพราะแมวคิดไม่เก่งแมวไปโลงจิตโรคประสาทไม่ค่อยมียแมวเข้าโรงพยาบาโลโรค จิตประสาทก็ไม่มีแมวไม่ผูกคอตายเพราะแมวไม่บุกไม่ปรุงแต่งมากเหมือนมนุษย์เราปรุงแต่งสารพัดอย่างมันต้องมีโรคอะไระเจ็บบ้ามาไปความคิดปรุงแต่งนี่แหละเรากลัวเรื่องอนาคตปัญหาคือความกลัวที่เกิดทากน่าจิตใจเป็นเรื่องปัจจุบันนะกลัวแต่เราลองมีวิธีคิดที่ มอนในแง่ความจริงสักหน่อยสิ่งที่เรากลัวร่วงหน้าเนี่ยบางทีมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วอย่าลืมนะพอเรากลัวเรื่องไหนกังวลเรื่องไหนสิ่งนั้นก็มักจะขึ้นกับเราเนาะแปลกนะเรากลัวผีก็ถูกผีหลอกอยู่เลยเราไม่กลัวผีผีไม่หลอกผีไม่เคยหลอกคนที่ไม่กลัวมันหลอกเฉพาะคนกลัวแปลกมากมันเลือกเอาเลือกใครกลุม่มจะหลอก เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเรื่องอนาคตบางทีงความกังวลนี่ยมันจะดึงดูสิ่งนั้นเรามาสู่จิตใจเราก็ได้พอเรากังวลเรื่องอะไรก็ตามเรากลัวอะไรก็ตามมันก็ทําให้เราเนี่ยย้ําคิดย้ําทําอยู่แล้วเคยไหมกลัวอะไรย้ําคิดย้าทําเรากลัวจะลืมปิดประตูแล้วก็มองเดี๋ยวก็ไปไหนก็มองจะปิดหรือยัอยงเราซอ่อนทรัพย์สมบัตไิไว้ที่ไหนก็ตาม เราเดินผ่านเราก็มองซ่อนอย่าเบ้าอย่างนี้ก็ตามเดินผ่านล้วก็มองแอาการที่เราย้าคิดย้าทำตรงนั้นอ่ะทำให้คนอื่นเขารู้ได้เพรานะนั้นเรากังวลเลยแล้วก็ตามเราก็ย้งคิดจะำทำนั่นแหละหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นแหละจิตใจมไม่อสลับให้เราบริเง่้ยงความเป็นจริง ชีวิตจริงนั้นอยู่ที่ปัจจุบันนี้เท่านั้นชีวิตจริงอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่นี่และก็เดี๋ยวนี้ไปทําไปเมื่อวานไม่มีแล้วพรุ่งนี้ก็ยังไม่แน่นอนเป็นการคาดคะเนเอาเป็นความสงสัยเป็นความรังเลใจอาจจะไม่มีก็ได้แต่ตอนเนี้ไม่เหมีย่ยงเพราะฉะนั้นชีวิตจริงอยู่เฉพาะที่นี่เท่านั้น ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้เราก็จะไม่ต้องกลัวอะไรหรอกอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการปัจจุบันที่เดี๋ยวนี้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันเนี่ยทุกอะไรก็ไม่เกิดมอเกิดเพราะเราเริ่มเริ่มคิดเนะ่เริ่มกระ บ, บวนการคิดทุกจะเกิดขึ้นเฉพาะที่เราคิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาซึ่งตอนนั้นจิตใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันคือที่ดีแล้วก็เดี๋ยวนี้ การอยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้ตัวเนี่ยจิตมันจะมีความเบิกบานอยู่ในตัวเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาปรุงแต่ให้จิตจะต้องเศร้าหมองหรือหนักปกหนักใหญ่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นชีวิตจริงกว่าชีวิตมันมีการตัดตอนทุกขณะวินาทนะีเห็นนาฬิกาไหมนาฬิกาเวลามันเดินเนี่ยมันมีปัจจุบันเดียวเดียว<ๆ>แล้วมันก็เดินแล้วมันก็เดินเห็นนาฬิกาถอยหลังไหม ในการมันเดินหน้าตลอเวลานี้ปัจจุบันที่เดียวมันเป็ีนไปสู่นาฬิกาที่ไม่เดินคือนาฬิกาตายนาฬิกาที่ถอยหลังคือคนชอบคิดไปในอดีตซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันผ่านมาแล้วนั่นอยู่กับปัจจุบันตรงนี้แหะเราจะรู้ว่าชีวิตเรามันจะมีความสุขมีความหมายมากยิ่งขึ้นปัจจุบันเนี่ยชีวิตจริงเราเมื่อวานกับเราวันนี้นี่คนคนเดียวกันไหม ใครว่าคนเดียวกันว่า <c> อ <oughs> ถ้าใครว่าคนเดียวกันงั้นแสดงว่าอุจจาระเมื่อเช้าเนี้ยกับอาหารเมื่อวานเนี่ยเป็นเดียวกันเลยเดียวกันไหมอุจจาะเมื่อเช้าเนี้ยเที่เราถายไปเนี่ยกับอาหารที่เราทานเมื่อวานเนี่ยมันเป็นคนุณสวนกันกละคุณสภาวะแต่เราไปเชื่อมโยงต่อกันว่าเนี้ยคืออาหารเมื่อวานอาหารเมื่อวานก็กินได้ กุจลาเมื่อเช้ากินไม่ได้เพราะชีวิตเมื่อวานกับวันนี้มันก็ต้องต่างกันนี่เป็นบอกวิธีคิดที่ทำรู้ว่าชีวิตเราจริงๆเฉปัจจุบันสิ่งเลววล่าทั้งหมดเป็นเรื่องราวในอดีตมันก็ไม่ใช่ชีวิตของเราที่แท้จริงตรงนี้ต่างหากเป็นชีวิตที่แท้จริงอนาคตก็อย่างนี้เราวันนี้กับเราในอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นคนละคนกันความรู้สึกต่างกัน เพราะฉะนั้นถ้าใครโกรธเกลียดใครอยู่เรื่องราวนดี mm hmm. ก็จบไปแล้วตรงนั้นแต่ถ้าเรามันโกรธเกลียดในปัจจุบันเนี่ยไม่ยุติธรรมสลับเขาแล้วและเป็นความผิดสลับใจเราด้วยเราเกลียดใครใครเคยทําไม่ดีกับเราไว้จนปัจจันนี้ยังเจ็บ อ, อกเจ็บใจอยู่มันไม่ใช่นะ้เราเลื่นถึงเขาที่ไรเราก็จะมองเขาเลวร้ายที่สุดในชีวิตเราตลอดชีวิตเลยซึ่งไม่ยุติธรรม เราจะมองคนทุกคนเป็นคนใหม่คนนอาข้างๆก็คือคนใหม่สำหรับเราอยู่เรนะื่อยเลมันจะไม่เบื่อไม่เต็มอย่ามองคนอยู่ข้างๆเราคือคนเมื่อวานเพราะวันนี้เราเพิ่งเจอกันใหม่เราจะมีอะไรใหม่ๆสำหรับเขาเสมอๆ เ, เนี่ย <c oughs> ชีวิตมันจริงใหม่แล้วก็ไม่เต็งตรงที่อยู่กับปัจจุบันคือมองในแง่ความที่เป็นชีวิตจริงแต่คนเราไม่ชอบไม่ชอบทำใจใว่า ชอบหาเรื่องมาคิดทวงจิตทวงใจมันทุกข์เยคิดไปเรื่อยนอกเหนือไปจากปัจจุบันแล้ชีวิจะมีความสุขเปนไนงะมันก็เฉาแต่ในเรื่องอดีตอนาคตจะนด้ดดดเวลาจะนอนก็แบบเวลา น, นอนเนี่ยก็เก็บเอาเรื่องอะไรมาคิดกันไปทุกข์ถึงเวลานอนก็ไม่ยอมนอนก็ ค, คิดเผื่อ ม, มันจะหลับเผื่อ ม, มันจะหลับช้ามากกลัวจะนอนหลับเร็วเกินไปก็คิดไปเรื่อยและไม่ได้คิดเรื่องการนอนนะ คิดแต่เรื่องอะไรกันลูอาจะมีสาระแต่นั่นไม่ใช่เวลาคิดเวลานอนก็คือเวลาที่จะพักผ่อนของเราไม่ใช่เวลาคิดให้เต็นตัวแต่เราก็ชอบคิ ด, ดในนั้ไตอนนอนเนี่ยมคิดแต่เราก็นอนไม่หลับดีแล้วก็ตอนนี้ก็เลยตื่น้วก็มีความไม่สบายใจเก็บเรื่องเก่ามาคิดต่อถึงเวลานอนก็ต้องนอนนะเดี๋ยวนะั้คิดต่างๆก็เขาว่ากันใหม่ตื่นเจ้ามาแล้วเข้าว่ากันใหม่ สมาธินอนไดฝึกเวลานอนโดยไม่ต้องคิดปรุงแต่เอาไว้แล้วเวลาตายเราจะได้ตาแบบจิตใจที่สงบจิตที่ขณะหลับกับจิตที่ขณะตายเนี่มัน ค, คล้ายๆกันนะฝึกเอาไว้เราควรจะตายไม่ดีตายไม่สงบเนี่ยก่อนนอนเนี่ยฝึกเอาไว้ก่อนจะนอนทําใจสงบสกบนอนไหวพ้พรสวดมนต์ทำภาวนาจิตสงบตั้งสมาธิทําสมาธิจิตสงบเท่าน่อย หรือทำความรู้ตัวให้จิตมันตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้ให้มีสติก่อนจะนอนเนี่ยแล้วรอเวลาตายก็ตายอย่างมีเทติที่นี้มีว่าเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อกี้แค่วิธีคิดตอนนี้เป็นวิธีการปฏิบัติเราเราจะปฏิ บ, บัติอย่างไรให้จิตใจเราชีวิตเราเนี่ยทั้งกายและใจเนี่ย อยู่กับปัจจุบันให้ได้เราก็ต้องมีการฝึกสติสติสติคือความระลึกได้คือความรู้ตัวรู้ตัวถ้ามีสติหรือมีความรู้ตัวเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตจะอยู่กับปัจจุบันหมดเลยอยู่กับความติ่มหมดเลยสติเป็นธรรมะที่เป็นฝากกุศลถ้ามีสติเมื่อไหลใจก็เป็นกุศลมือ น, นั้นมันจะทิ้งกนดีทิ้งอนาคต มาอยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นชีวิตจริงต้องมีสติจิตใจมีปัจจุบันของชีวิตขึ้นมาเมื่อมีเมื่อสติเกิดมีสติแล้วเนี่ยจิตใจมันก็จะมีความสดสใสเบิกบานได้ในขณะนั้ น, นความทุกข์อะไรก็จะไม่เกิดเราต้องมีการฝึกเอาไวา้ฝึกสติอย่าคิดว่าวป็สิธงทียากเกมรายการฝึกสติแล้วมันง่ายๆ เพราะสิ่งเนี้มันมีอยู่แล้วในตัวคนทุกคนคนทุกคนมีสติอยู่แล้วเห็นเราเดินมาที่นี่อะไรเป็นวุติพามาสติพามาเราจึงเดินตรงมาสู่ที่สองบรรจุ น, นี้ได้เดี๋ยวเดินกลับออกไปแล้วก็เดินไปอย่างมีสติอยู่เดียมันมีอยู่แล้วการใช้ชีวิตทั้งหมดเนี้ยสติมันช่วยเราอยู่แล้วเป็นสติโดยธรรมชาติแต่สติตัวเนี้ยมันจะเป็นสติแบบเช่นเดียร์อยู่ เราไม่เคยเข้าไปสังเกตดูว่าเนี่แหละไอ้ตัวเนี้ยตัวสติเนี่ยมันช่วยเราอยู่เสมอเสมอเราทําได้ความชำนาญด้วยความเคยชินแต่มันยังไม่ได้พัฒนาจนถึงสติที่แก้ปัญหาชีวิตได้เห็นปะเวลาเราโกรธเนี่ยเราเคยรู้ไว้ว่าเราโกรธแต่รู้นะแต่ทําไมมันจริงโกรธอยู่มันทําไมจริงไม่หายสติก็รู้ว่าโกรธนะ แต่มันทำมติงไม่หายนั่นคือสติตังสัจจญาในความโกรธของเรารู้ว่าโกรธแต่ว่าแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้แต่ถ้าเป็นสติตที่ฝึกแล้วพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะดับความโกรธอย่างกับน้ําที่ดับไฟเลยความเย็นดับความร้อนใน ท, ทันทีถ้าปัจจุบันนี้ เมื่อเกิดความโกรธเป็นเสมือนไฟสติก็รู้แต่สติกลายเป็นน้ํามันก็ได้นะเอาไปลากองไฟก็ได้นะเอล้วงก่อนแล้วเอ้มัน ท, มทําไมถึงทำกับเราอย่างนี้ไม่น่าทําให้เราโกรธอย่างนี้เราทนไม่ได้มันต้องแก้แทบเออเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้ น, นไหมเนี่ยที่จริงแก้แคบนั้นถูกนะอย่าเป็นถูกแคบถ้าแก้แท้เนี่แคบมันจะหมดแต่เรา เปลี่ยนมาเราไม่ผูกแค้นนั้นคือที่ที่เราทําอยู่ถ้าแก้แขนเนี่ยมันจบแล้วพอแก้ออกเสร็จจบเลิกกันแต่เราไม่ผูกแขนผูกแขนเนี่ยภาษาไทยมันวุ่นวายเนี้ยบอกแก้แขนก็มีทีแก้แขนจะได้หมดแขนทันทีแต่ที่จริงเราผูกแขนนั่นคือสติโดยสัญลักษณ์ยานซึ่งมันยังแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้แค่รู้ว่าเราเดินแค่รู้ว่าเราโกรธแต่ว่าเอาชนะตรงนั้นไม่ได้ <c oughs> เราจะมีการฝึกสติที่มันสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้และก็อยู่ปัจจุบันได้ด้วยคือรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากาลังทำอะไรอยู่กาลังคิดอะไรอยู่เนี่ยตรง น, นี้แหละเป็นสติที่จะมานำเสนอให้เราลองทำตัวนี้ดูทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ค่อยได้พัฒนาเราพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันง่าย มันง่ายกว่าพัฒนาที่สิ่งนี้ยังไม่มีสติคือความรู้ตัวก็ได้ระลึกได้ก็ได้สติคือการบอกได้ว่าเรายังมีชีวิตยอยู่ในโลกถ้าคนกาดสติก็คือคนที่ตายแล้วใจเลื่อนลอ ย, ยร่างกายอยู่ที่นี่ใจลอยไป น, นี่ขาดสติถ้ามีสติแตเรานั่งฟังก็รู้ว่าเรากำลังนั่งฟังอันนี้คือการมีสติ สติภูมิจิตภูมิใจอยู่กับปัจจุบันตรงนี้แหละทีนี้วิธีการฝึกฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งหลับไปการใช้ชีวิตไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช้ชีวิตตามปกติเราเคยทำอะไรก็ทำตามปกติมานี่แหละแต่เราควรจะเติมสิ่งสิ่งหนึ่งลงไป ในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อการมีความรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวในการกระทําซึ่งเราส่วนมากทําชีวิตของเราแบบดาเนินแบบที่แบบอัตโนมัติไปเรือ่อยเราไม่มีความรู้ตัวนะขับรถเนบเหนะ็นไหมเราไม่ได้ขับรถด้วยความรู้ตัวแต่ขับด้วยความชํานาญความเคยชินมีทรศัพท์ข้างขับรถข้างเหนะ็นไหมเพราะว่าไอการขับรถเนี่ยด้วยความชํานาญด้วยความเคยชิน เรานั่งอยู่อยงี้ถ้าเรารู้ตัวว่าเรานั่งเนี่ยรู้หมั่นเนีเรามีสตินะนะสติในชีวิตประจําวันเรานั่งอยู่เราก็รู้ตัวว่าเรานั่งนะอจะเริ่มเริ่มเริ่มมีสติแล้วเราไม่เคยมารู้ตัวว่าเรากำลังนั่งนะพอนั่งปั๊บเราก็คิดละสมมติที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราคิดทําอะไรก็คิดนั่งก็คิดเดินก็คิดท่ายก็คิด กินก็คิดขณะกินเนี่ยโอ้คิดเป็นโครงการมากมายจบโครงการแล้วนะอาหารในชามก็หมดแล้วไม่รู้ว่าอาหารอร่อยอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่าจบโครงการแต่ไม่รู้ว่าอาหารอร่อยอย่างไรเพร่อเราไม่เคยรู้ตัวขณะที่กำลังทานข้าวเวลาเราลุกเดินไปไหนเรารู้ตัวว่าขณะนี้กำลังเดินรู้ว่ากำลังเดินมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการเดินเนี่ยเดินด้วยความรู้ตัว วเวลาเข้าห้องน้ําแล้วก็รู้ตัวว่าเรากําลังเข้าห้องน้ํารู้ตัวอยู่ปกติเราไม่รู้ตัวเราเข้าด้วยความเคยชินรีบทำธุรเกิดจเราจะรีบไปทําอะไรข้างหน้าแล้วก็รีบไปเข้างหน้ารีบไปข้างหน้าชีวิตจริงไม่เคยอยมีปัจจุบันเลยมีแต่เรื่องของอนาคตตะพึดตะบึดไปแล้วก็รอความสุขในอนาคตซึ่งเราข้ามความสุขจาปัจจุบันซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรา เป็นความสุขที่เราดื่มได้จริงๆ เ, เครื่องดื่มอยู่ข้างหน้าเราไม่เคยดื่มด้วยความรู้ตัวเราดื่มพราดื่มและจบไปได้ไปนะเนี่ยความสุขอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองนะไม่อยู่ไกลเลยอย่าพลาดจากความสุขในปัจจุบันแล้วก็ไปรอความสุขในอนาคตซึ่งอาจจะไม่เกิดก็ได้เราทานข้าวทานด้วยความรู้ตัวเนี่ยกาลังทานข้าวเราจะรู้จากรสชาติ จ ะ, อ, ะรอร่อยกับการทานอาหารมื้อนั้นที่ทำไปรอทางเข้าไปดูเวลาไปเงี้ยใจก็กลัวจะไม่ทันเวลาคราวนี้ทําวันนิ้ทานโดยที่ไม่มีความรู้ตัวจะเพื่อจะไปข้างหน้าความสุขอยู่การที่เรากำลังทําอยู่ตรงนั้นการแต่งตัวเราใช้เวลาแต่งตัวก็ต้องนานเราไม่เคยมีความรู้ตัวในการแต่งตัวเลยการสวมเสื้อการหวีผมแต่เราแต่งแต่งให้มันเสร็จไดรีบไปได้จะไม่ทันเวลานะ เราไม่มีความรู้ตัวการใช้ชีวิตรู้ตัวมีคำนึงคำคือรู้ตัวคือกายคือใจรู้ว่าตัวเราเนี่ยกําลังทำอะไรนี่ความรู้ตัวนะมันอยู่ที่นที่ตัวเราจริงเราขยับกขยื่นเคลื่อนไหวไปไหนถ้าเรามีความรู้ตัวจะเราได้ฝึกสติได้ภาวนาแล้วได้ทำจิตใจเป็นกุศลแล้วโดยที่ไม่ต้องเข้าวัดเลยนะ เราเก็บเกี่ยวได้จากชีวิตประจําวันเนี่ยนะเนี่ ย, ยใจเราเนี่ยได้พัฒนาด้วยการปฏิบัติธรรมคือการมีสติเป็นการปฏิบัติธรรม เ, เป็นปัจจุบันด้วยนะซึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีบุญกว่าการให้ทานเม่า ก, การรักษาศีลการปฏิบัติธรรมการมีสติรู้ตัวในปัจจุบันเนี่ยเป็นการภาวนา ในช่วยจจำบันรู้ว่าร่างกายกำลังทำอะไรรู้อยู่แล้วสำคัญคือเมื่อจิตมันคิดอะไรเนี่ยเราก็รู้ทันจิตที่มันคิดการรู้กายที่มันเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยเเรามีสติเป็นส่วนที่หยากแต่ส่วนละเอียดนั้นคือจิตที่มันคิดปรุงแต่งเป็นราคะโทสะโมหะ ถ้าเราฝึกรู้ตัวที่กายเคลื่อนไหวไปมาในการชีวิตแล้วเนี่ยสติมันจะคมมันจะรู้ทันจิตการรู้ทันจิตเนี่ยมันสามารถรักษาจิตทีเป็นอิสระได้แต่เราไมนีสติที่รู้ทันมารู้ซะตั้เมื่อที่มันสายไปแล้วก็มีแล้วจิตมันเกิดราคะคำว่าราคะนี่ไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวราคะคือการยินดีจิตใจในการดูการฟังการกิน นั่นคือราคาราคามามาจากคาว่าราคาเห็ <c oughs> <c oughs> นไหมเวลาเสื้อเขาซื้อสวยเขาวางขายอยู่เขาเขียนว่าราคาสองพบาทนั่นคือราคะสองพบาทคือความยินดีติดใจสองพบาทก็ต้องซื้อมันเกิดราคาแล้วเขาตั้งราคาไว้แต่มันคือราคานะนึ <c> ่ง <oughs> โอ้ราคา 2,000 ันบาทโอเคโอเค ราคามาเกิดจากจิตใจเราไม่ได้เกิดที่เสื้อนะเสื้อไม่มีราคาไม่มีโทสะม่มีโมหะเสื้อมีเสื้อเพื่อปลุงแต่งขึ้นมาเพื่อรอให้ราคะของใจคนนี่มันตื่นสติยานของความสวยงามก็เกิดขึ้นมาได้เมื่อราคาขึ้ใ น, ใในในใจิตยนดีจิตใจเรื่องใดก็ตามสติรู้ทันนี่ใจมันเกิดราคานีก่อนจะซื้อก็รู้ทันใจซะก่อน แต่พอซื้อไปแล้วมาลูกที่หลังว่าโอไม่น่าซื้อเลยของเก่ามันก็ดีอยู่แล้วเอามารกบ้านเ น, นี่ยตึกตัวนี้ราคามันนําหน้าติดไปก่อนแล้วจึงเกิดปัญญาที่หลังว่าไม่ควรซื้อนี่ก็หาทางเลยอยากจะขายต่อหรือให้ใครไปเลยหมดเรื่องหมดราวหรือเจออื้นี่เามันซื้อราคาถูกกับเราโอ้โหเกิดโทรศัพท์ไม่พอใจเมื่อขายเราต้องสองพันที่นี่แบกับดินเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ด ไม่ไถึงเจ็ดสบาบาทแบกกันราคาต่างกันโอ้โหไม่เกิดโทรศัไม่พอใจแล้วเรามีความสุขไหมโทรศัท์เรามีความสุขไหมเราก็รู้ทันอ๋อจิตมันเกิดโทรศัพท์นะสติมันรู้ทันรู้จิตมันเกิดโทรศัเนี่ยท่นนี้จะไปต่อว่าทําร้ายเขามันหยุดที่เรารู้ทันแล้วมันก็ไม่ไปต่อว่าเขาทางวาจาไม่ทําร้ายเขาทางจิตใจ มันเอาชนะราคะทง้งจิตได้โดยการที่ไม่ทําตามราคโทสะนะโ ท, ส ะ, โทสะเกิดก็รู้ทันบางทีเรายัางไม่ได้ไปทําอะไรแต่ส่วนมากเราก็รู้แล้วก็ทําตามแล้วก็มาเสียดายทีหลังเราไม่น่าเลยมันแล้กไปแล้กไ ป, ไปมารู้ทีหลังมันก็ดีแต่มันก็เสียหายไปแล้ว เมื่อจิตมันเกิดโทสะไม่เกิดความแม่พอใจสติก็รู้ทันไอความโกรธราคาโทสะนี่แหละเราห้ามไม่ได้มันย่อมมีขึ้นได้ทุกคนตามสันทัตญาหรือสิ่งที่เราเคยสะสมไว้ตั้งแต่เด็กหรือแต่พบชาติไหนก็ตามมันย่อมมีห้ามไม่ได้แต่ที่จะเอาชนะได้นั้น โดยที่ไม่ทําตามราคาโทสะนั่นก็คือสติพอรู้ทันที่จิตใจปับ๊บสติรู้ทัน อ, อจิตมันเกิดโทสะแล้วนี่พอรู้ทันตรงใจปับ๊บมันก็จะไม่ออกไปทางวาจาจะไมไ่ไปว่าใครจะไม่ไปทำให้คนเขาเดือดร้อนด้วยคำพูดของเรา <c oughs> เรืองหอกปากหอกปากใยทิ่นแทงใจคนดนะีแล้วก็หยุดที่จะไม่พูดในสิ่งนั้นออกไปได้ แล้วก็ร่างกาก็ไม่ต้องไปทำร้ายใครให้เกิดการทะเลาวิวากแล้วก็ติกูติตลาดนะสติมันจับจุดแรกไปเล ย, เลยจุดต้นกำเนิดของของอารมณ์หรือข อ, ของความคิดที่จิตใจให้รู้ทำตรงนี้เมื่อดีเราอยู่ใช้ชีวิตยอยู่แล้วก็หน่อยเหงาเศร้าซึมเซ็งเบื่อกุ้มเหงาอันนี้มันเกิดขที่จิตใจเท่านั้นแหละ สติก็รู้ทันมันอ๋อรู้ทันความสลดระทุของจิตใจเนาะความเมองสติรู้ทันพอรู้ทันแล้วเนี่ย้าสติมันเข้มแข็งมีพลังสิ่งนี้ก็ความเศร้าความซึมสลดรูทุ ก, ก็จะหายไปสติเข้าไปแทนที่สติเข้าไปยึดเนื้อที่เอาไว้อารมณ์ต่างก็เข้าแทรกไม่ได้เมื่อดีจิตมันคิดฟุ้งซ่านนีไหะ คิดฟุ้งซ่านคือคิดแบบไม่มีทิศทางสารพัดอดีตอน า, าคตคิดฟุง้งซ่านรักโลกโกรธหลงสารพัดอย่างก็เลยคิดฟุง้งซ่านถ้ามีสติรู้ทันเสิ่งนั้นก็จะค่อยจางคลายถ้าสติไม่เข้มแข็งพอยังไม่มีกําลังมันก็ย่อมที่จะฟูขึ้นเรื่อยๆสติมีกําลังแล้วเสิ่งนั้นก็จะจางคลายหาไม่อเราสงสัยลังเลใจ มีความกลัวมีความสงสารต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจถ้า ส, สติรู้ทันจิตนั้นก็จะหายขึ้นจิตของคนเนี่ยมันเป็นเนื้อที่ที่ว่างอยู่ถ้าเราไม่มีสติอารมณ์ต่างๆราคะโทสะโมหะก็จะคลองเนื้อที่ผัดกันคลองเนื้อที่ความห ล, ล, ลงมาก่อนพอความหลงมาความหลงทําให้เกิดความรักความหลงทําให้เกิดควา ม, กวามกโกรธ ความหลงทำให้เกิดความฟุ้งซ่านความหลงเกิดทำสงใจไอ้ความหลงมันครองหน้าที่ของจิตใจอยู่หนึ่งเดียวแต่ถ้าเราฝึกสติไว้เสมอๆให้รู้ตัวกับการใช้ชีวิตปัจจุบันสิ่งนี้เข้าครอบครองหน้าที่ของจิตอารมณ์ต่างๆจะเข้าไม่ได้จิตจะมีคุณภาพที่จะคิดอะไรได้ดีคิดเป็นกุศลคิดในทางบวก คิดแล้วไม่ทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์หรือเบืยดล้อนนะเพราะฉคลองมาที่ได้ยินหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมันผมแน่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยผมครองเรียบร้อยแล้วใครขึ้นมานั่งก็ไม่ได้ละผมจะห้ามเอาไว้ฮะผมครองที่ของเก้าอี้ไว้เรียบร้อยแล้วมันจิตใจคนคลองได้แค่นหนึ่งเจ้าสติครองหรือเจ้าเกล็นครอง ถ้าเราเกลดคองก็หลงลืมสติไปเตอะมันก็ทําให้จิตใจระบุบ ว, วายรักโลภโกรธลงเหน็ดเหนื่อยกระวลกระวายนอนไม่หลับโลดจิตโลภต า, าเป็นโรคมันเล็งไมบ้านร่างกายคไปเพราะมันเกิดมเาเร็ในด้านจิตใจนั่นฝึกสติให้มันคลองจิตเอาไว้สติเนี่ยมันเปรตเหมือนเซที่คัดนะมันตัดกระแสความคิดได้เด็ดขาดไม่ชับไวมากสติที่คมกล้าเซที่คัด ตัดกระแสของไฟฟ้าได้ฉับพันได้สัน่นฉับใดสติมันก็คือเป็นธรรมะที่ตัดกระแสของความคิดแด้ฉช่นั้นเหมือนกันฝึกเอาไว้ในชีวิตประจําวันฝึกได้ทุกเวลาจะเดินจะนอนจะนั่งจะยืนจะดื่มจะเคี้ยวจะทานให้รู้ตัวว่าปัจจุบันนี้เรากําลังทําอะไระรู้ทันการแล้วเวลาจิตมัคิดสติรู้ทันอ๋อนี่มันคิด ไม่ดีแล้วนี่คิดรักโลกโกรธลงแล้วไม่ต้องไปทำไรความคิดปล่อยมันผ่านไนปะโดยที่เราไม่ต้องทำตามเนี่ยจิตก็เป็นอิสระจากอารมณ์ต่างๆได้จิตอิสระคือเอาชนะอารมณ์ตรงนั้นคำว่าจิตอิสระไม่ใช่ทำตามอารมณ์นะความอิสระนั้นไม่ใช่ทำตามความอยากความอิสระคือการอยู่เหนือเป็นนายเหนือความอยาก โดยที่ไม่ต้องทำตามก็ได้นี่คืออิสระการทำตามความอยากโรบกลัวเหลนั้นจิตเราไม่มีอิสระเลยตกเป็นท่าของอารมณ์แต่ถ้าเอาชนะอยู่เหนือได้ไม่ทำตามได้นั่นอิสระที่แท้รสมัยนี้คนเราเนี่เป็นโรคภูมิแพ้เยอะมากนะภูมิแพ้ทางกายก็ไม่เท่าไหร่ ถ้าภูมิแพ้ทางจิตใจ <c oughs> เขียนไว้ภูมิพแพ้ทางจิตคือแพ้อะไรแพ้อารมณ์อารมณ์ตัวเรานั่นแหละภูม <c oughs> ิแพ้ร่างกายคือแพ้อากาศข้างนอกแต่ภูมิแพ้อารมณ์คืออารมณ์ที่มันเข้ามาจอนเข้ามาสู่จิตเป็นภูมิแพ้อารมณ์แล้วมันก็เป็นทุกข์อ่ะแล้วเราต้องสร้างภูมิต้านทางจิตให้มันสูงขึ้นโดยการฝึกสติไว้เสมอเสมอ ให้มันคลอนว่าที่จิตเอาไว้ให้จิตมันมีภูมิต้านทานกับกับอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นน่ยมันเป็นเหตุตหรืความทุกข์งั้นเรียกตัวเหตุหรืความทุกข์มันมาจากความคิดถ้าเราไม่คิดจิตเราก็เป็นปกติถ้าคิดขึ้นมาเนี่ยเริ่มมีปัญหานะแต่ถ้าคิดอย่างมีสติปัญหาจะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมเราเราเคยคิดวางแผนงารไหมคิดว่างแผนเ น, นี่ยอันเนี้ยจะไม่ค่อยเกิดปัญหา เขาเรีมีวิธีคิดผ่านสติด้วยความรู้ตัวจะคิดได้ดีมากเราจะวางแผนงานอะไรต่าก็วางไนดะ้เขาว่าวางแผนแล้วเข้าใจนะคือคิดแล้วต้องวางนี่เวางแผนคิดต้องวาง planning แผนงานไปแล้วต้องรู้จักนิง่งแล้วก็ทําตาม planning ใ น, น, น, นภาษาของผมวางแผนสร้างแผนไปแล้วขอวางไว้ก่อน เราต้องทําตามแผนไว้ก่อ น, นวางแผนพอมีแผนแล้วต้องวางจกวา่าอย่าคิดไม่จบแนลนดิ้งพอแผนแล้วต้องนิ่งแล้วก็ทําตามแผนนั่นคือกวามคิที่ผ่านสติฝึกเอาไว้ฝึกได้ไหมเนี่ยยืมจำมันเนี่ยใหม่ๆแ ล, ล้วดูยากเพราะเราไม่เคยชินแล้วทำบ่อยๆเถอะสิ่งที่เราไม่เคยชินทําไปแบบจะชินไหมความเคยชินทำให้เกิดความชํานาญ ความเคยจินเกิดทำให้เกิดความชานาญความชานาญทำให้เกิดการเป็นเองแล้วก็เป็นชีวิตของเรามันง่ายที่จะมีสติล่ะมันยากที่จะปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านล่ะเนี่ยความเคยจินทำให้เกิดความเป็นเองเกิดความชานาญความชานาญทำให้เกิดความเป็นเองเพราะเป็นเองก็เป็นชีวิตจิตใจของเราเราควรเอาสิ่งนี้นะมาสู่จิตใจของเราเป็นการชาดพลังจิตเอาไว้ เอาไว้ต้านกับอารมณ์ที่มันขึ้นขึ้นเสียดายอดีตกังวถึงอนาคตนี่เราฝึกเท่าไหร่เมื่อ ก, กี้นี้มันเป็นการฝึกในชีวิตจำวันมันจะหลงลืมไปบ้างไม่ปไปไล่หลอกแต่ลืมแล้วเราก็เริ่มต้นรู้ตัวใหม่ได้ลืมเนี่ยผิดัหยไม่ผิดหรอกลืมแล้วเราก็เริ่มต้นรู้ใหม่ แล้วก็แลกกันไปอดีตไปแล้วแล้วก็เริ่มต้นที่จะรู้ตัวใหม่รู้สึกตัวใหม่ในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยไปเรื่อยเนี่ยอันนี้มันต้องมีรูปแบบในการฝึกมากในชีวิตประจำวันยังไม่พอยังไม่มีกำลังไอ้ที่เราลืมบ่อยๆเนี่ยเพราะจิตใจเรายังไม่มีกำลังเราไม่เคยซ้อมเราไม่เคยซ้อมไม่เคยซักซ้อมไม่เคยเติมพลังนี่ในเวลาว่างๆนะเวลาว่างๆนั่งเฉย แทนที่จะคิดฟุ้งซ่านจะรอใครสักคนก็ตามการรอเนี่ยการรอคอยเนี่ยเป็นเวลาที่น่าเบื่อหน่ายมากมันเบื่อหน่ายเพราะเราคิดเราคิดจริงๆมันยังไม่ถึงเวลาหรอกแต่มันต้องมีการรอล่วงหน้าเนี่ยมันจะคิดมากคิดถึงการรอเนี่ยบางทีเมื่อไหร่จะมาไม่จะมาคิดว่าเมื่อไหร่จะมายังไงก็ไม่มาหรอกมันจะมาต่อเมื่อเขามานะมันไม่มาตามที่เราอยากให้มามนะัน การนั่ง เ, เฉยๆไม่มีอะไรทำเนี่ยเรต้องมีรูปแบบในการฝึกรูปแบบในการฝึกเนี่ยเราควรจะเตรียมจิตเตรียมเวลาของเราเสมอว่าเราควรจะทําเวลาไหนบ้าง เ, เวลาว่างๆเราก็ทํามาฝึกก็ได้รูปแบบมันมีการช่วยเสริมให้จิตใจเรามีพลังมีสตินี่เวลาเราใช้ในจำวันเนี่ยมันจะได้มาได้ไวสติจะเกิดได้ไวไวมาก เราทำดูที่เราเอามือเอามือขว า, อามือซ้ายเนี่ยวางไว้ตรง ก, กลาง่าไว้นะวาไว้ที่ที่ขาเนะี่ยนี้จะฝึกสติในรูปแบบง่ายๆไม่ต้องตั้งท่าตั้งหลักจนน่ากลัวทำสบายๆไม่มีปัญหาทำสบายๆทำสบายสนุกๆไม่ต้องใช้ความคิด จะใช้ความคิดนะวิธีนี้มันไม่ต้องใช้ความคิดนะใช้ความรู้สึกใช้ความรู้ตัวไม่ต้องมีความไม่ต้องใช้คำบริกรรมอะไรไม่ต้องไม่ต้องหลับตาอย่า ก, ก้มหน้ายาวจริงรอรจังไม่มีอะไรจริงจังเราเในชีวิตเนี้ยใจเรายังไม่จริงกับเราเลยจะไปจริงไหนะให้ทำเล่นๆแต่ทำด้วยความรู้รู้ตัวพลิกมือขวาตะแคง รู้นะเอามือความลงตะแคงรู้ความพลิกมือตะแคงรู้นะว่ากำลังทำอะไรนะให้จิตใจอยู่กับการเคลื่อนไหวที่มือเนี่ยมือความก็รู้มือหงายก็รู้ตัวปัจจุบันนี้เรากาลังเคลื่อนไหวที่มือนะเคลื่อนไหว ตะแคงรู้สึกตัวนะความมือรู้สึกตะแคงก็รู้ความมือก็รู้ตะแคงมือรู้ตัวนะความคุณก็รู้ตัวอยู่เวลาตะแคงคุณก็รู้ตัวเวลาความคุณก็รู้ตัว ตะแคงก็รู้ตัวหลอความก็รู้ตัวอ่าตอนนี้เถอนนิดหนึ่งการกระทําอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการดึงจินดึงใจอยู่กับเนื้อกับตัวแทนที่จะปล่อย จ, ะจะิตใจคิดปรุงแต่งปรุงสราตใจไม่อยู่กับปัจจุบันเรามารู้ตัวกับการเคลื่อนไหวปัจจุบันนี้กำลังเคลื่อนไหวกําลังรู้ตัวอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นการฝึกแบบง่ายๆเลยนะ มีการเคลื่อนไหวมีใจที่รู้มีการเคลื่อนไหวมีใจที่รู้ตัวแค่นียเนี่ยเป็นรูปแบบง่ายๆซึ่งคิดว่าคนทุกคนเนี่ยทำได้หาเวลาทำอย่างเบกว่ามือขวาก็ได้มือซ้ายก็ได้ปมือ่ายรู้ความรู้อันนี้มันจะเป็นการตัดกระแสะของความคิดที่มันปรุงแต่งไม่เลิกก่อนจะร้อนก็ทำอย่างนี้ ที่เรานอนไม่หลับเพราะความคิดมันปรุงแต่งมากมายถ้าเรามารู้ตัวตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่คิดแล้วมันกลับมาดูตัวเองรู้ตัวเองเมันก็หลับไปเลยทีนี้เวลาสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําคืออย่าไปห้ามอย่าไปเพ่งมันจะต้องรู้ตรงนี้นยอย่าไปเพ่งทําให้สบายๆพราะจิตใจสบายกับการเคลื่อนไหวเนี่ยมาอยู่ตรงการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็คลองหน้าที่ของจิตเอาไว้ดูแลแล้วสติก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวที่จิตเราเรียบร้อยแล้ะไอความคิดก็แทรกไม่ได้ นะช่วยนี้เป็นโจทที่อยู่กับปัจจุบันที่แท้จริงไม่ต้องห้ามความคิดอย่าไปห้ามทุกสิ่งอย่างเสียงจะดังใครจะเดินไม่เป็นไรหรอกแต่เรามารู้ตัวคือด้านี้ของเราเนีย่ยเนี่ยพลิกมือรู้ความมือรู้หรือว่าปัจจุบันนี้เรากําลังเคลื่อนไหวใครรู้จักวาสนามล่นะจิ <c> ๊บ <oughs> ใครเคยเจริสติ เนวหลวพ่เทียนจากวัสนามนมากอามีเหมือนกันนะค่ อ, อ, อยพูดได้่อยหลงวงพ่เทียนจินสุพโนี่ท่านอยู่วัสนามายวัสนามนยอยู่ไหนรู้ไหมอย <c oughs> ู่อเภบางกลวอยู่หลังนี่ <c oughs> อยู่ตรงนี้เองอะวัดนามนนี <c oughs> น่ใกล้เกลือกินดานะที่นี่มีการฝึกสติที่เฉียบขาดมาก ฝึสามารถเอาไปใช้ประจําวันได้ลองไปฝึกที่วัดสนามนายดูบ้างสิเนี่ ย, ยมีการสอนเรื่องการเจริสติแบบเคลื่อนไหวนี่แหละในนาหลวงพระเทียนเนี่ยหลวงพระเทียนนี่เป็นป ร, รมาจารย์ในการเจริญสติท่านมาบุเบิกที่วัดสนามนายเนี่ยนานแล้วจนท่านมราพไปนานแล้วเหมือนกันแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาสอนอยู่ที่นั่น เป็นการฝึกจิตล้วนๆที่มีเกี่ยวกับการให้ฐ า, ารักษาสี่ที่ทำไปฝึกสติล้วนๆเลยท่านสอนการเจอสี่แบบเคลื่อนไหวสิบีจังหวะเราเคยเห็นไหมที่ท่านทำสี่จังหวะคือการพลิกมือรู้สึกเอามือขึ้นมารู้สึกมือเข้ารู้พลิกมือซ้ายโยกขึ้นมา มือเข้ามาแล้วก็รู้ตัวนะเคลื่อนไหวมีสติเนี่ยมือโลนก็รู้สึกตัวความมือก็รู้สึกตัวเลื่นมือขึ้นมาก็รู้สึกตัวมือออกมาก็รู้สึกลงมาท่าตะแคงก็รู้สึกความมือก็รู้สึกสิบซี่จังหวะเนี่ยท่านสอนให้เรามีสติรู้ตัวกับการเคลื่อนไหว เป็นแบบฝึกที่ท่านให้เราไปลองฝึกดูปีจังหวะให้สติมันเกิดขึ้นทุกขณะทุกขณะมีการเคลื่อนมีการรู้สึกรู้สึกเป็นการฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกักบตัวให้สติมันคมชัดเพื่ออะไรรู้ไหมไปเวลามันเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้ทันความคิดแล้วมันจะตัดกระแสความคิดได้ทันทีเลยตัดกระแสความคิดทุกครั้ง แต่เจ้าจะคิดอะไรที่มันมีสาระมีประโยชน์มันก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งผ่านการรู้ตัวเป็นความคิดที่เป็นกุศลมากกว่าสิบสี่จังหวะอย่างเงี้ยเป็นการฝึกสติได้สิบสี่สิบสี่สิบสี่คะแนนได้ทำไปเมื่อกี้เราได้แค่สองคะแนนใช่ไหมพลิกมือคว่มพลิกมือหงายได้แค่สองคะแนนอันนี้สิบสี่คะแนนเลยลองทำดูไหม ไห <c oughs> นใครอยากจะทายกมือสไหนใครไม่อยากทายกมือไหนใครไม่ยกมือยกมือดิ <c oughs> อะลองทําดูหน่อยนะไม่ได้บังคับนะั่นลองทาดูหน่อยเผื่อจะดีบ้างคือบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ลองไม่รู้นะยกอาหารมาตั้งข้างหน้าเนี่ยเราก็โอ้สีไม่สวยอย่าไปกินเลยนั่นแหละลองจิมดูสิบางทีมันอร่อยก็ได้อะเอามือวางไว้ข้างหน้า ที่ขามันเดินมาสองหมทําผิดไม่เม่อเราไม่บาปหรอกทำผิด <c oughs> ไม่บาปทําผิดแล้วก็เริ่มต้นทําถูกใหม่คนเราทุกคนเนี่ยมันย่อมมีความผิดทําผิดมาไอ้ความผิดขนาะทําเรารู้จักถูกเมื่อเห็นผิดแล้วก็รู้จักถูก น, น, นะฮะนะไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องหลับตาไม่ต้องตั้งใจอะไรมากมายทํำ ส, บ, ส บ, บายๆแบบผ่อนคลายแต่ให้มีความรู้ตัวทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว ไม่เน้นเอาความสงบเอาความตื่นรู้ของจิตไอ้คาว่าตื่นรู้เนี่ยเขาบอกตรงนีว่ามันมีประโยชน์กับชีวิตเรามากคาว่าตื่นเนี่ยคือจิตที่มันตื่นออกมาจากไอ้ความโง่งหลงมงมงายตื่นออกมาจากความคิดการตื่นการแตกแถวออกมาจากสิ่งเหล่านั้นพอมีการตื่นแล้วเนี่ยด้วยความรู้ตัวจะมีการตื่นของจิตและมันจะมีความเบิกบานความสุขมันเกิดขึ้นจากความ ตื่นรู้และก็เบิกบานนะเนี่ยทุกวันเนี่ยจิตเรายังไม่ตื่นหรอกมันยังคิดคิดคิ ด, คดยังอยู่ในใ น, ในกระแสของความคิดเยอะแต่ถ้าจิตท่มตื่นมาเนี่ยมันตื่นออกมาปากแถวจากความคิดออกไปเห็นความคิดจิตก็อสิสระตรงนี้แหละมันจะมีความเบิกบานมีความสุขสดใส จิตดวงนี้จะไปทำอะไรก็สำเร็จแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะมีความเบิกบานเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยการฝึกรู้สึกตัวเนี่ยทำให้จิตมันตื่นตืนออกมาจากอารมณ์ต่างๆที่เราที่มันครอบงำใจเราอยู่เนี่ยสุขภาพจิตจะดี <c oughs> อ้าลองดูไม่ต้องหลับตานะพลิกมือขวาในท่าตะแคง ยกมือขวาขึ้นมาอ่าขอโทษทีนะอย่า ก, กำมือแบบผมนะคือผมเป็นทีเซนเตอร์ที่แย่มากเหยียดนิ้วไม่ออกทั้งสองข้างนะขอเหยียดนิ้วตรงๆนะอย่าเรียนแบบดาราที่ทำไม่ถูกต้องเอามือมาไว้ที่สะดือให้รู้ตัวนะว่ากาลังทำอะไรนะพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมา เอามือซ้ายเท้าไที่มือขวายังรู้ตัวอยู่นะอย่าไปห้ามความคิดมันอยากคิดก็เลื่องของคิดแต่เรื่องเราคือรู้ตัวว่าเรากําลังเคลื่อนไหวเลื่อนมือขวาขึ้นไปที่หน้าอกเลื่อนขึ้นมาเลยรู้ตัวนะเอามือขวาไว้ด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำ ม, มือขวาลง เลื่อนมือซ้ายที่หน้าอกเอามือซ้ายามาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาเด่นตะแคงคว่มมือซ้ายลงพลิกมือขวานด่นตะแคงให้รู้ตัวนะว่ากลาลังทำอะไรถ้ารู้ตัวแล้วจิตมันจะตื่นออกมาจากอารมณ์มันจะตื่นออกมาจากความหลับไหลยกมือขวาขึ้นมา เอามือขวามาไว้ที่สะดือให้เป็นจังหวะพลิกมือซ้ายาทาตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาเอามือซ้ายทพบไที่มือขวาเคลื่อนไหวเป็นจังหวะรู้เป็นขณะเลื่อนมือขวาไปที่หน้า อ, อกรู้ตัวนะเอามือขวามาด้านข้างรู้ตัวลดมือขวาลงมาที่ขาท่าตะแคง ความมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายามาที่หน้าอกเอามือซ้ายามาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแกงความมือซ้ายลงอลองพลิกมือซีลองทําเองดีลองทําเองนะทําเลยนะไม่ต้องทําพร้อมกัน ไ, ได้ทําเลย เ, ออเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ ให้รู้เป็นขณะขณะเวลามันคิดแกไปสนใจนะมารู้ตัวที่กายที่มันกำลังเคลื่อนไหวแกไปสนใจความคิดเราจอฝึกสติให้มันคมชัด ลาบุญเนาะโอ้ทำอย่างกับมืออาชีพเลยนะบางคนทําไปถ้าจะหลับตื่นขึ้นมาหยกได้บางคนทําไปมันจะสงบตื่นมาเนี่ยจิตมันตื่นเป็นขณะที่มันหลับได้ชัดเจนเลยคำว่าตื่นคือออกมาจากความหลับไหลความรุ่มหลงความไม่รู้ตัวตื่นจากความไม่รู้ตัวมารู้สึกตัวเนี่ยถ้าทําไปนานๆนะเราจะเห็นคนที่มีหน้าตาเบิกบานผ่องใสนะพอรู้ตัวปั๊บจิตมันจะตื่นออกมาจากอารมณ์ แล้มันก็จะมีความหงองไหเบิกบานรู้ตื่นรู้รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยเป็นความหมายของพุทธพุทโธพุทธพุทโธอยู่ที่การรู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่อยู่ที่ตัวพระเจ้าอยู่ที่ใจเราที่มันรู้ตืออ่นแล้วก็เบิกบานเราจะทําให้มันเบิกบานไม่ได้หรอกเราต้องมีความรู้สักตัวก่อนแล้วจิตมันจะเบิกบานเป็นอิสระเนี่ยเอาไปฝึกเป็นรูปแบบที่ฝึกเล่นๆตอนเช้าก็ได้ก่อนนอนก็ได้ ไม่มีอะไรทำก็ฝึกนี่เป็นการปฏิบัติธรรมนะแต่เป็นการปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบที่เราสามารถนําำมาใช้ได้ใช้ได้กับทุกๆคนจะบวชหรือไม่บวชไม่สําคัญแต่ความรู้สึกตัวเราสามารถพัฒนาตัว เ, เองได้นี่แหละเสร็จ แ, แล้วไอ้ความตื่นรู้เนี่ยมันจะไวจะคมมันจะรู้ทันอารมณ์ของเรามันจะรู้ทันตัวเรา จิตที่มันคิดรักโกรธโกรธหลงความพอใจไม่พอใจเนี่ยสติมันจะรู้ทันเราห้ามไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราสามารถรู้ทันแล้วก็ไม่ทําตามได้ถ้าไม่ทําตามอารมณ์เราเมื่อไแล้วก็จิตจะเป็นอิสระเลยเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกเพื่อตัวเราชีวิตเราจะอยู่กับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นอารมณ์อดีตอนาคตนั้นมันจะไม่มากวนวจิตกวนใจแล้วเป็นทุกข์เลยจะอยู่กับความจริงของชีวิต มัเป็นกุศลสำหรับเราทุกครั้งที่มีสติเนี่ยจิตใจจะเป็นกุศลทันทีเลยเนี่ยอันเนี้ยคำว่ากุศลเนี่ยคือทําให้ใจเรามีความสุขนีนี้เราไปทํางานการทํางานเราก็อาศัยเติมความรู้ตัวในชีวิตประจำวันรู้ตัวรู้ตัวเนี่ยคนรอบข้างจะบีบคั้นเราไปทุกอย่างไรโกรธยังไงพีเราก็นิ่งได้และการตอบโต้เป็นการตอบโต้แบบมีสติปัญญา ไม่ใช่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ไปตอบโต้เขาเราต้องเจอนะคนรอบตัวเราทําสิ่งบางสิ่งบางอย่างบีบคัน้นจิตใจใเราแต่เขาไม่ได้บีบคัน้นจิตใจเราหรอกใจเราต้องหากที่ไปคิดว่าเขาบีบคัน้นเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแต่เราไปคาดบวังเขาไม่น่าทําอย่างนั้นไม่ตอนมีไม่ใช่เพราะใจเราต่างหาที่ไปไม่เป็นปกติเพราะฉะนั้นการฝึกสติไว้เสมอๆ เ, เนี่ยจะอยู่กับคนที่ ไม่ปกติด้วยใจที่ปกติได้คนรอบข้างจะไม่อิสระจากกิเลสแต่เราอิสระจากกิเลสซึ่งมันเผาใจิตใจเราอยู่เนี่ยทมให้อยู่กับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นและเรื่องราวในอดีตต่างๆที่เคยผ่านมามันบีบคั้นจิตใจเราเราเคยทำอะไรไม่ดีเอาไว้เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวนี้นะเราก็กลับไปคิดอยู่นั่นแหละคิดจะเรื่องเก่าๆให้ในนาฬิกาเดินถอยหลังอยู่เรื่อย เอาของเก่ามาอุ่นกินอยู่เรื่อยมันไม่ใช่ชีวิตของเราถ้าเรามีสติตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันจะสามารถวางอดีตที่มันทําให้เราเกิดแผลเลือดในดวงใจในหัวใจเราได้เนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถรักษาแผลจิตแผลใจที่เราเคยทําไม่ดีมาไว้จี้ไป <c oughs> เห็นไหมมีแม่ที่เราทําอะไรไม่ดีไว้ในอดีตนึกทีไรเราเศร้าหมองทุกทีเลย เราเคยทําอะไรไม่ดีเอาไว้นึกถึงทีไรเศ่อาหมองกี่ทีเนี่ยคือเป็นกรรมที่เราทําเอาไว้มันจะส่งผลตอนปัจจุบันที่เราไปคิดถึงมันขึ้นมาถ้าไม่คิดกรรมมันก็ไม่ส่งผลแต่คิดมาเมื่อไหร่นะกรรมส่งผลทันทีกรรมอดีตมาเป็นกรรมในปัจจุบันกรรมการกระทําการพูดในอดีตนั้นมันย้อนมาบาดจิตบาดใจในปัจจุบันเมื่อเราคิดถึงมันขึ้นมาเจอหน้าคนที่ทีไรมันนึกถึงเรื่องอดีต ใจเราก็ไม่สบายใจในปัจจุบันนะแต่ถ้าเรามีสติอาไว้เนี่ยมันจะสกัดกั้นไม่ให้สิ่งนั้นเนี่ยเข้ามาเชื่อมต่อกับปัจจุบันเรื่องที่แล้วก็แล้วกันไปเรื่องที่แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นสิ่งที่ล้มเหลวไปแล้วล้มละลายไปแล้วมองว่ามันคือล้มละลายไปแล้วน้ำพ่วงกว่าแห้งไปแล้วล้มละลายไปแล้วไม่ใช่ปัจจุบันเขาต้องเข้าใจนะ สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปมันแก้ไขไม่ได้แต่บางกรนีเป็นต้นไปเนี่ยเรารู้แล้วนั่นลหละคือเป็นครูสอนว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้น<อ>ผมเคยรู้ธรรมะในเรือนจามีผู้ตรงขังบางคนเนี่ยไม่ใช่บางบางส่วนมากมีความเศร้าหมองกับการที่เขาทำไม่ดีไว้แน่นดีก่อนที่เขาจะเข้าอยู่ในเรือนจาเขาทำอะไรไว้เนี่ยสิ่งนั้นจะมาหลอกหลอนทุกครั้งที่เขาใช้ชวิตในเรือนจา ผูนี้จึงอยู่สงบไม่ได้ผู้ต้องผู้คุมต้องให้ทํางานเพราะว่ามันจะได้ลืมอดีตอดีตมันมาหลอกหลอนมาปรึกษาผมผู้ต้องการนั้นปึกษาผมว่าจะทำอย่างไรดีเวลาคิดถึงอดีตที่ไรเขาเศร้ามองทุกทีถึงแม้ไม่คิดมันก็มาหลอกหลอนอยู่เรื่อยนั่นคือเรื่องราวในอดีตก็เลยบอกว่าเราต้องฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันเข้าไว้จิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคต ถ้าอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยไม่คิดถึงเงินดีดไม่คิดถึงอนาคตเราก็จะมีความสุขอยู่ตรงเนี้ยแล้วทํายังไงให้อยู่กับปัจจุบันไม่ยากเลยในเรือนจำเนี่ยเขามีการทํางานเขาไม่ปล่อยให้หนักผู้ต้องขังนอนกระดิกนิ้วนะ <c oughs> ต้องมีงานทำไอ้การมีงานทำเอาจิตจดจ่อไปกับการทํางานในปัจจุบันนั้นเอาจิตจดจ่ออยู่กับการทํางานนะเรื่องราเนี่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นเนี่ย แล้วใจมันก็มีความสุดอยู่การทำงานอยู่ตรงนั้นแหละจะทำแล้วก็ตามเพราะว่าผู้ตรงกลางจะต้องมีการเดินมีการทานข้าวมีการทำงานเอาใจจดจ่อให้ได้อยู่ตรงนั้นจิตจะอยู่กับปัจจุบันและมันก็จะลืมมดีไปเองแต่อย่าลืมนะเราผ่านอะไรมาทำให้ใจเราซ่อมหมอมันเป็นกรรมเก่า เราต้องทําใจเอาไว้ไม่ถึงว่าจะต้องเปลี่ยนแก้ไขตัวเองใหม่สิ่งที่เคยทําให้เราต้องเป็นทุกข์แน่ดีตปัจจุบันอย่าทําอย่าทําในสิ่งนั้นนะอย่าทําในสิ่งนั้นถ้าเราไม่ทําปั๊บเราก็จะหนีจากกรรมเก่าแล้วก็มีเจอกรรมใหม่คือต้องทํางานที่เป็นกุศลการช่วยเหลือการทําประโยชน์เป็นงานที่เป็นกุศลจิตมันเสพกุศลแล้วมันผ่อนคลายเห็นไหม จิตที่คจะให้ผ่อนคลายไหมกับจิตที่คิดอยากจะได้มันต่างกันไหมจิตคิดจะอยากจะได้เนี่ยมันเป็นกิเลสเป็นอกศุศลเป็นบาปแต่จิตคิดจะให้เนี่ยมันมีความสุขความสุขกับการให้ต่อไปมันก็จะให้ไปเริ่มมีอะไรก็อยากจะให้ให้เหมือนการทํางานเนี่ยถ้าจะทํางานให้มีความสุขอย่าทํางานเพื่อคาดหวังว่าผลของงานจะเป็นอย่างไรนะ ผมจะต้องเสร็จจะต้องดีจะต้องได้ขั้นสีขั้นโบนัสสวัสดิการไปหวังอย่างนั้นเนี่ยไม่มีความสุขเราจะรอความสุขตะเมื่อ ง, งานสําเร็จหรือได้รับสิ่งตอบแทนพวกนี้หรือเนี่ยอันนี้เราทําเอานะไม่ได้ทำให้แต่ถ้าเราพลิกจิตเราทํางานก็เพื่อจะทํางานทํางานเพื่ออะไ ง, งานให้ดีเรายินดีที่จะมาทํางานที่การไฟฟ้าผลิตแล้ว แล้วเขต้องทํางานที่นี่แล้วก็ตั้งใจทํางานตรงนี้ส่วนผลพลอย ไ, ไ้นั้นอยา่าเพิ่งไปคิดมันเรื่องอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขได้การเซฟงานในปัจจุบันทําสิ่งที่ดีๆที่เราควรจะทํากับงานตรงนี้เราจะทำอะไรเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าสําหรับเรากับงานตรงเนี้เนี่ยเป็นการให้เกียรติชีวิตเราด้วยนะแล้วจะมีความสบการณ์ที่เราได้ทําสิ่งที่ดีๆกับสิ่งนี้ส่วนผลนั้นอย่าไปพูดถึง เมื่อทำสิ่งที่ดีผลก็ออกมาดีเมื่อไม่ดีแต่เราก็ทำสิ่งที่ดีก็แล้วกันเราก็ฉลองสองเด้งเลยเด้งนี้ก็มีความสุขรับผลงานรับเป็นวัตถุมันก็มีความสุขนี่เราจะรอแต่ด้านเดียวคือรอที่ผลของงานในอนาคตบางทีตายก่อนบางทีก็ไม่เกิดขึ้นเราไปจะรอทำไมตรง น, นอนาคตซึ่งมันยังไม่มีแต่ตรงนี้เราสามารถหาความสุขได้ เนี่ย yeah. ผมทํางานตักวันเนี่ยก็เพื่อตัวเนี้ยทาในสิ่งที่ดีๆที่ควรจะทําสลับมนุษย์กับมนุษย์ที่ควรจะทําให้สิที่ดีคนจะตั้งใจฟังหรือไม่จะปฏิบัติทำปฏิบัติตามหรือไม่ผลต่อไปยังไงผมไม่สนใจผมมีคุณสุขการได้ทําตรงนี้แล้วทําให้ทําให้ไม่ได้ทําเอาถ้าทําเอาแล้วก็มันเป็นเรื่องของกิเลสถ้าทําให้แล้วก็มันได้แบบที่เราให้แล้ว ผู้เองก็เมือ่อเมื่อประมาณสักปีสองสองเนี่ยเนี่ยผมประสบเหตุเหตุมาแต่ปีสองสองจนร่างกายปีเนี้ยเนี่ยปลยกระโดดน้ําสอนวิชาว่ายน้ํศาศีรษะไปกระแทกถึงพื้นทํำให้ร่างกายส่วนล่างเนี่ยคอกระดูกตรงนี้มันหักไปเลยให้ส่วนล่างเนี่ยหมดความรู้สึกเคลื่อนไหวเองไม่ได้ส่วนล่างเนี่ยผมจะไม่รู้สึกเลยนะ ผมนั่งก็นั่งไปกันแนะแต่ส่วนที่รู้สึกคือส่วนข้างบนเนี่ยรู้สึกได้เนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยชีวิตเนี่ยมันก็มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเมื่อสมัยก่อนที่เราตั้งติดตั้งใจไม่ได้กายก็พิการใจก็ผิดหวังอายุแค่ยี่สบสี่สมัยก่อนนะฮแล้วพิการมาต้องสามสิบสามปีนะจะฉลองเดือนเมษาในนี่ครบรอบ ภัยผมก็ประสบภัยเหมือนกันเรื่องภัยอุบัติภัยคือภัยพิการก็ยินไหมภัยพิการอุบัติภัยถ้าไม่เกิดภัยพิการภัยพิการนี่มันมันร้ายแรงนะคือความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตเห็นไหมเราเองถ้าใช้ความคิดชีวิตที่ไม่สะดวกเรามีความทุกข์มากผมไม่สะดวกในการใช้ชีวิตเอาศใจคนอื่นมาช่วยเหลือนี่คือภัยพิการ แต่เราทุกจนคิดว่าไม่ประโยชน์เลยเราจะแก้ปัญหาชีวิตโดยวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเราจะแก้ปัญหาชีวิตโดยการยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่การก็พี่การโดยที่ไม่ไปติเสธนะถ้าปฏิเตธก็เสียใจว่าทําไมถึงต้องเป็นเราไม่ไปฏิเสธถ้าเป็นก็เป็น อยอมรับแล้วก็ต้องรู้จักเรียนรู้กับมันเรียนรู้ที่อยู่ความพิการให้ได้เราจะเรียนรู้ที่จะอยู่ความพิการให้ได้แล้วมันก็เรียนรู้ทุกอย่างอะชีวิตพิการเลยกลายเป็นการชีวิตที่ทเรียนรู้เรียนรู้ตัวเองเมื่อรู้ตัวเองแล้วเนี่ยมันรู้จักสิ่งภายนอกด้วยเนี่ยเรียนรู้ตัวเองคือเรียนรู้ถึงก้อนธรรมะตัวเองที่เป็นก้อนธรรมะการมารู้ตัวเองนี่เป็นการปฏิบัติธรรม ก็ในการเจริญสตินี่แะฝึกสติอย่างนี้แหละการใช้ชีวิตที่เคลื่อนไหวได้น้อยเนี่ยการพิกมือแค่เนี่ยเนี่ยพระฝึกสติอยู่แค่เนี้เมื่อก่อนเรายกมือไม่ได้หรอกมายกได้เมื่อเมื่อเจอคนอื่นเขยกกันเราก็ยกบ้างเราเองยกได้แค่เนี้ยแต่นี้ก็เลยฝึกเหมือนคนอื่นก็ได้เรียนรู้ได้แค่เนี้ยแล้วเรามีการเคลื่อนไหวแล้วก็รู้พิกไปพิกมาแล้วก็รู้ตัวแล้วพยายามที่จะหาเรื่องเคลื่อนไหวให้มากๆยิ่งหาเรื่องเคลื่อนไหว เท่ากับเป็นการเติมคะแนนของสติอยู่เรื่อยแต่ละวันแต่ละวันชีวิตอยู่กับปัจจุบันเป็นชีวิตที่เป็นปัจจุบันและเป็นปฏิบัติการที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมด้วยมันก็มีความสุขลืมเรื่องทพิการลืมเรื่องอนาคตสิ่งที่เราเสียดายอดีตมันก็หายไปอนาคตจะเป็นยังไงมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะอยู่กับปัจจุบันอะมันเป็นความสุขอยู่กับปัจจุบันเริ่มพิสูจน์ด้วยตัวเราเอง และยิ่งรู้ตัวน่ะเขาเนี่ยมันไปรู้ทันในความคิดต่างๆความคิดของจิต ท, ที่มันปรุงแต่งสารพัดอย่างร่างกายพิการมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่ใจไม่ยอมรับมันพยายามที่จะแก้ปัญหาตัวเองโดยการคิดๆๆใจมันคิดสารพัดอย่างบางทีมันก็โกรธดั น, นปตัดนรกนละ บางทีมันก็อยากอยากกินอยากเที่ยวมันอยากตาภาษาที่มันอยากให้เราทําโอ้นี่มันเป็นเปรตเนี่ยมันเกิดความอยากในจิตใจเรามันคิดจากเราก็รู้ทันมันนะเนี่ยบางทีมันเหงาโทรทูลเศร้าหมองไม่ค่อยมีเหตุผลนะไม่ค่อยมีเหตุผลเอีคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผลเนี่ยก็เหมือนจิตใจเหมือนเหมือนสัตว์หลายจานที่ไม่ค่อยมีเหตุผลแล้วจะทําก็ทํำ มันเป็นสัติราชาดได้ในจิตใจเรากลายเป็นคนแต่ใจในเป็นสติราชาดคือโง่หลงงมงายไม่มีเหตุผลเมื่อที่ก็กลัวกลัวอะไรก็ไม่รู้แต่มันกลัวกันแล้วกลัวอนาคตกลัวจิ้งจบกลัวสารพัดอย่างไอ้ความกลัวเนี่ยมันก็คืออสุรกายความกลัวนี่มันแอบซ่อนในอสุรกายอสุรกายอลัไม่กล้า ถ้าสุราเราก็กล้าอสุราเนี่ยไม่กล้าเนี่ยมาเป็นอสุรกายที่ไม่กล้าเมื่อทีใจเราก็ดีเนี่ยเป็นมนุษย์และใจดีเป็นมนุษย์เมื่อที่มีความสุขก็เป็นเทวดาเมื่อทีใจสงบเป็นพรหมโอ้ยพบภูมิต่างๆนี่มันเกิดขึ้นในใจเรานี่เองวัฏ ต, ตะสองสารเวียนว่ายแต่เกิดใน ใ, นใจเราเองเวลามันเกิดความโกรธถ้าเรารู้ไม่ทันมันไปยึดติดในความโกรธว่าเป็นเราโกรธ เราก็เกิดเป็นตับนรกทันทีแต่รู้ทันปั๊บอ๋อใจเราเป็นปกติอิสระเราไม่ได้เกิดเป็นสัตว์โลกขณะนั้นเนี่ยเวลามันเกิดความกลัวกลัวอะไรกันไม่รู้แตรู้ทันว่านี่คือความกลัวนะเราก็ดูอยู่เห็นอยู่ปฏิบัติแล้วมันทําให้เราเป็นผู้ที่ดูเป็นผู้ที่เห็นไม่ได้เข้าไปยึดติดเป็นผู้ที่ดูอาการเหล่านั้นเราก็ไม่ได้เข้าไปเจ้าของของความกลัว เราก็ไม่ต้องเป็นอสุรกายนะครนนั้นเห็นไหมเนี่ยมันเห็นพภูมิต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใ จ, จเราซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเกิดได้หลายพภูมิบางทีก็เกิดเป็นเทวดาบางทีก็เป็นมนุษย์พอใจสงบก็เป็นพรหมบางทีก็โกรธไป็นจตตลกบางทีก็เป็นเปรตอยากได้ไม่มีที่ทางเนี่ยบางทีก็กลัวบางทีก็โง่หลงทําไงตัดเอกสานทุกอย่างมันเกิดขึ้นในจิตใ จ, จเราทั้งหมดเลยโอ้เข้าใจมัน เบื่อหน่าที่มัยึดติดไอ้จิตใจที่มันคิดปรุงแต่งปรุงต้านเรามีสติรู้ทันดูมันเห็นมันจิตมันก็อิสระออกมาก็เริ่มเข้าใจชีวิตไอ้ความพิการมันไม่มีมันม่การเป็นสมมุติมันคือความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตต่างหาก เ, เราก็ไม่ได้เป็นคนพิการเนาะเราไม่ได้เป็นอะไรเนาะเราเป็นผู้ที่เห็นมันป่วยไข่ยอย่างเนี้ยเห็นจิตใจที่มันคิดปรุงแต่งมันก็ ถอนชีวิตออกมาดูอาการต่างๆของการของจิตโดยที่ไม่ต้องเป็นกับมันดูแล้วก็เออบางทีก็หัวล้อ ย, ย่ะมันบางทีก็ยิ้มใช่ป <c> ะ <oughs> <c oughs> เข้าใจตัวเองภัยพิการเนี่ยทาให้เราเห็นภัยในวัฏสงสารซึ่งมันน่ากลัวกว่ภาภัยพิดับพิบัติทั้งหลายในตำตภัยในวัฏสงสารในการต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติเนี่ยเป็นภัยร้ายที่น่ากลัว เขาเรียกกลัวอย่างมีระดับคือกลัวภัยในวัฏสงสารกลัวมีระดับถ้ากลัวไม่มีระดับก็กลัวอะไรกัไม่รู้ที่มันยังไม่เกิดที่สั่งไปแต่ภัยในวัฏสงสารเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจิตในใจเราเนี่ยวละหลายครั้งเนี่ยเออโชคดีเนะาะภัยผิการที่เรามาเรียนรู้จนเห็นภัยในวัฏสงสารเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนต่อไปผมจะฉลองวันไม่เกิด นะไหนใครยังฉลองวันไม่เกิดมั้งไฉลองว่าเกิดน่ะธรรมดาผมว่าผมจะฉะลองวันไม่เกิดอ่ะสักวันนึงเนี่ย <c oughs> ในภาวะที่เป็นฤ ด, ดูการเป็นฤ ด, ดูการแห่งภัยพิบัติทุกวันเนี้ยที่จะถึงข้งได้เลยปีนี้เป็นปีที่ฤ ด, ดูการแห่งภัยพิบัติธรรมะข้อแรก ที่ชาวพุทธควรจะรู้แล้วก็เอามาใช้ทันท่วงทีนั้นคืออะไรฤ <c oughs> ดูการที่มีภัยพิบัติอย่างเงี้ยธรรมะข้อแรกที่ชาวพุทธควรจะนํามาใช้ทันท่วงทีคืออะไรใครตอบได้อไปนิพพานนั่นอนะยกกันไปนิานสติเป็นธรรมะข้อแรกที่เราควรจะนําเอามาใช้ในระยะ ที่จะเกิดฤดูการของภัยพิบัตินี้และใช้ได้ไดทุกภัยเลยเพราะมีสติแล้วเนี่ยถ้ามีสตินะจิตมันจะตั้งมัน่นมันจะเอาพาสมาธิมาตั้งมัน่นและมันจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาขณะนั้นได้ทันท่วงทีถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาปับ๊บเาข่าคาสติเราลืมธรรมะข้อแรกไปเจอธรรมะที่เป็นอธรรมะ ข้อที่ว่าเป็นกลัว น, นี่ตะพื้นมันจะตกตะลึงจะทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยตกตะลึงเนี่ยเพราะเราขาดสติสติเป็นตัวทำให้เราตั้งจิตมันตั้งมั่นว่าอะไรคืออะไรแล้วก็จะพาปัญญามาใช้แก้ปัญหาชีวิตสติต้องมาก่อนให้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะพอเกิดภัยประไรบมาปั๊บตั้งสติให้ได้ตั้งสติได้ก่อน เด็กให้ดูสติจะพาปัญญามาจะแก้ไปะนะจะทําอะไรดีต้องตั้งสติได้ก่อนสติจะตั้งได้นั้นจะต้องเนี่ยฝึกอย่างเงี้ยฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้ต่อไปเนี่ยมันจะตั้งอยู่เรื่อยๆ <c oughs> อย่าไปรอฝึกเอาไว้เหมือนเงินในกระเป๋าเจออะไรซื้อได้ทันทีเลยหยิบซื้อได้ทันทีเลยอย่าไปฝากอื่นเอาไว้พออยากได้ปั๊บต้องรอเข้ามาคนย <c oughs> ตั้งสติให้ได้โดยการฝึกเพราะฉะนั้น จงมันที่จะฝึกสติในชีวิตประจำวันให้เสมอเสมอเมื่อเจอภัยอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้ความหวาดกลัวและความทุกข์ต่างๆนี่จะไม่เกิดขึ้นจิตจะไปอิสระจากอารมณ์เหล่านั้นที่จริงการปายดีผมก็คุ้นเคยนะเนี่ยทีเนี้ยผมคุ้นเคยมากเลยเนี่ยม่อสมัยอายุ7จคขวบเนี่ยผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนศึกษาสพบางกลวยติดกับวัดลุ่งกงคงาราน ศึกษาสังเราะบางกลว ย, ยใกล้ๆตรงนี้แหละตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนีผมเรียนที่นั่นจบปเจ็ดแล้วไปอที่โรงเรียนบางกลวยใกล้ๆวัดกล้วยตรงวัดตรงข้าววัดชะลอนีอยู่ที่นั่มาสองปีสปีแล้วก็มาพักที่เรียนสางเราะบางกลวยแล้วก็ไปเรียนที่อื่นก็ต้องกลับมาพักที่นี่ผมไม่มีบ้านพักมาพักเตียงเรียนสางเราะบางกลวยอาจารย์ใหญ่ทวีแสงมาไป็ผู้ที่ อุปการะเอาไวา้สิบห้าปีของการเดินเข้าออกผ่านการไฟอธิเนี่ตั้งแต่เดินได้จนทั้งเดินไม่ได้ก็อยู่ก็ยังมาที่นี่อยู่นานแล้วที่นี่มีเพื่อนผมมีคนหนึ่งเนี่ยเรียนจบจากศึกษาสมคอา์บางกล้วยมาด้วยกันรุ่นร้องหนึ่งปีเนี่ยคุณวันเพนเสริมผลเนี่ยทํางานที่นี่เนี่ยเป็นรุ่นที่ว่ารุ่นเดียวกันก็ได้เป็นศึกษาสมคอร์รุ่นแรกๆผมเป็นรุ่นที่หนึ่ง ครัเป็นรุ่ที่สองผมรุ่นแรกเลยบุเบกเบิกลงในศาสตรสเคลบางกรวยเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เยนี้ยังอยู่คุ้นเคยกับที่นี่เดินมาสิบปีเนี่ยก็เพื่อได้กลับมาเป็นครั้งที่สองตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ายินดีนะที่ได้มามีโอกาสมาได้ทำประโยชน์มาให้เนี่ยกิจวิธีการปฏิบัติสำหรับทุกๆ ท, ท่าน ก็ให้มาสมควรเก็บเวลานะมัสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรยให้ทุกท่านเนี่ยแล้วก็ผู้ที่จัดงานวันนี้ด้วยจะมีความเจริญในธรรมมีสติปัญญาพาชีวิตให้พ้นภัยพิบัติและก็ภัยในวัฏสงสารด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด